บทที่เก้าสู่อบายภูมิต่อจากบทที่แล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในภพอันหาความเจริญไม่ได้เหล่านี้ส่วนมากได้อยู่มาแล้วเป็นเวลานานปีแล้วปีเล่านี้เมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์แต่สำหรับผู้ที่ตกอยู่ในคุมนรกเช่นนี้จะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเวลาได้ล่วงเลยไปเช้าหรือเร็วเพียงใดเพราะในความรู้สึกของตนเอง ก็มีแต่ความมืดมิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พบความสว่างเมื่อใดหรือว่าวันคืนได้ล่วงมาแล้วช้านานเท่าใดความจริงก็มีผู้หวังดีไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันที่ได้พยายามหาโอกาสเข้ามาสู่สถานที่อันน่าสะเพรึงกลัวเช่นนี้ด้วยความเมตตากรุณาท่านเหล่านี้คือผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปอีกมากแต่อาศัยความเอ็นดูไรจะโปรดสัตว์ผู้ลำบากเหล่านี้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 ก็จะถูกเปิดขึ้นตามความเป็นจริงของมันครบถ้วนทุกประการณทีน่นี้เขาจะต้องได้รับโทษทุกตามกรรมที่ได้สั่งสมไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ทั้งนี้ใช้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเขาก็หาไม่ได้เขาเป็นผู้ลงโทษตนเองโดยแท้จริงในอบายภูมิเหล่านี้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 เพราะเขาม่ได้คิดถึงผู้อื่นเลยนอกจากตัวเองโดยส่วนเดียวบุคคลเช่นนี้มักจะบน่นคร่ำครวญอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้ทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อนแต่ประการใดเลยเหตุไฉนจึงต้องได้รับผลอันไม่น่าพึงพอใจเห็นปานนี้เขาลืมไปเสียสนิทว่าแม้เขาจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูแก่ผู้อื่นก็จริงแต่ก็ได้กระทําตนเป็นศัตรูของตนเองโดยแท้ เท่าที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นนี้จะเห็นได้ว่าแม้อบายภูมิเหล่านี้จะเป็นแดนอันหาความเจริญไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในแดนเหล่านี้จะเป็นผู้หมดหวังด้วยประการทั้งปวงอันที่จริงทุกๆกคนได้ชื่อว่ามีหวังที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทรมานได้เสมอกันทั้งสิน้นช้าบ้างเร็วบ้าง ตามแต่เหตุการณ์ในบางรายอาจจะต้องกินเวลาตั้งหลายพันปีจึงจะเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าได้สักก้าวหนึ่งแต่ถ้าเป็นการก้าวหน้าไปในหนทางที่ถูกต้องแล้วก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีการขยับขยืขย่นเสียเลยความช้าหรือเร็วแห่งการหลุดพ้นจากกรรมนี้อาจได้มีผู้ใดขัดขวางไว้ไม่นอกจากสภาวะแห่งจิตใจของผู้นั้นเองแดนทิพ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 ก็จะไล่เห็นดวงหน้าของบุคคลเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งสําหรับบุคคลผู้ได้ศึกษามาแล้วจะทราบได้ทันทีว่าเขาเหล่านั้นได้ประกอบกรรมอย่างใดไว้บางก็แสดงว่าได้ประกอบกรรมเลวร้ายและตำช้ายอย่างเหลือประมาณบางก็เป็นผู้หนีเหนียวแน่นเป็นแกตัวอย่างที่สุดบางก็เป็นผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภอย่างถอนตัวไม่ขึ้น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 เป็นวีรกรรมหรือเป็นการกระทาอันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์เสียเเลือประมาณนั้นเมื่อเพ่งดูเจตนาซึ่งอยู่เบื้องหลังแล้วจะเห็นว่าเต็มไปด้วยความสกรปรกยังไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นบุคคลเหล่านี้เมื่อดูอาการภายนอกจากการกระทาของเขาในโลกมนุษย์คล้ายกับจะเป็นผู้ฝ่ายธรรมก็จริงแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็มิใช่อื่นไกล นอกจากความหน้าไหว้หลังหลอกและหายใจเข้าออกเป็นกา ร, รมาคุณอยู่ทุกขณะส่วนมากของบุคคลประเภทที่ทำความชั่วยอย่างร้ายแรงนี้ถ้าจะเทียบกันกับสภาพในโลกมนุษย์ก็เห็นจะต้องใช้คำว่าขังเดียวนั่นเองและแน่นอนเขาจะต้องถูกขังเดียวอยู่เช่นนั้นตลอดไปไม่มีผู้ใดทราบว่าจะเป็นเวลาช้านานสักเท่าใดอาจจะเป็นหลายร้อยปี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 ได้เคยเป็นชาวโลกมนุษย์อันมีลักษณะสมบูรณ์เช่นเราทั้งหลายก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสขบรกและความวิปรบีย้ยทางจิตใจของบุคคลประเภทนี้อิงแท้จริงในดานทิพย์เช่นนี้ไม่มีผู้ใดจะสวมหน้า ก, ากากได้อีกต่อไปทุกคนจะต้องเปิดเผยสภาวะแห่งจิตใจอันแท้จริงของตนออกมาอย่างโจงแจ้งและสิ้นไสทีเดียวทั้งในด้านดีและด้านชั่วร้าย ผู้ที่รับใช้กรรมอยู่หน้าที่นี้บางคนอาจจะดูเป็นคนแก่เสืเลือประมาณแต่ข้าพเจ้าเ็าได้รับคำชี้แจงว่าพวกเหล่านี้อาจจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นับเป็นเวลาได้ร้อยร้ยหรือพันพันปีก็จริงแต่แม้กระนั้นที่ลาดูเป็นคนชราเช่นนั้นก็หาใช่เพราะความล่วงไปแห่งกาลเวลาไม่โดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นเพราะสภาพแห่งจิตใจอันตามามของตนนั่นเอง โดยในยะตรงกันข้ามคือดังที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วในสุขติภูมิที่สูงขึ้นไปนั้นความสะอาดและพระนิจของจิตใจจะทำให้รูปกายที่เป็นทิพนั้นสดใสและดูเป็นหนุ่มสาวยิ่งขึ้นในเมื่อการเวลาได้ล่วงไปโดยลำดับความสดชื่นราเริงและความสวยงามรอบด้านอันเป็นลนักษณะของสุขติภูมิจะเป็นเครื่องลบร่องรอยแห่งความทุกข์ทรมาน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 สภาพในอบายภูมินอกจากจะเต็มไปด้วยภาพที่น่าขยักขยังและสะพรึงกลัวนานาประการแล้วก็ยังระคนไปด้วยเสียงที่ฟังแล้วทําให้รู้สึกขนลุกขนพองอีกไม่ใช่น้อยเสียงเหล่านี้มีตั้งแต่เสียงหัวเราะแหบๆคล้ายกับเสียงหัวเราะของคนบ้าคลั่งไปจนถึงเสียงกรีดร้องโหวยหวนของวิญญาณที่กําลังสวยผลกรรมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสอสอาครั้ง เราได้พบกับผู้อยู่ในสุคติภูมิชั้นสูงขึ้นไปแต่ได้พยายามลงมาอย่างอบายภูมิเช่นนี้ด้วยความการุณาหวังอนุเคราะห์วิญญาณที่กําลังสวยกรรมอยู่ให้ได้รับความทุกข์เบาบางลงบ้างเท่าที่จะพอกระทําได้เราได้ทักทายปราศัยกันด้วยความดีใจยอยุ่พักหนึ่งในความมืดแห่งอบายภูมิเช่นนี้เราผู้มาจากสุคติภูมิยังสามารถเห็นกันและกันได้ดี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 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านสามารถคุ้มครองตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วจึงได้หานกล้าเข้ารับภารกิจเช่นนี้ได้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากท่านนักบวชผู้หนึ่งผู้ใดได้มาเห็นสภาพความเป็นไปของบุคคลผู้กําลังสวยกรรมอันชั่วร้ายของตนอยู่บนสถานที่เช่นนี้ด้วยตาตนเองแล้วเขาจะไม่พยายามกล่าวหรือยืนยันต่อไปอีกอย่างแน่นอนว่า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 ต้องการให้ประชาชนทั้งหลายเกรงกลัวพระองค์เสมือนหนึ่งว่าพระองค์เป็นผู้มีความโหดร้ายและฉุนเฉียวและเอาใจยากเสเหลือประมาณเพราะการที่เหวี่ยงใครตัวใครลงไปนรกนั้นดูเป็นของง่ายดายและขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพระองค์เท่านั้นและในที่สุดเขาก็ต้องการให้ประชาชนเห็นว่าพวกพระเท่านั้นที่ได้รับอภิสิทธ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 คณะนี้เราได้ปรึกษากันและเห็นพ้องต้องกันว่าเราได้เข้ามาสำรวจในแดนอบอายภูมินี้พอสมควรแล้วแม้จะยังไม่ได้หมดทุกซอกทุกมุมก็ตามฉะนั้นจึงควรจะได้กลับไปพักผ่อนยังภูมิของเราเสียสักทีจากนั้นเราจึงเริ่มเดินทางกลับเราได้ผ่านดินแดนแห่งหมอกควันอันเป็นแดนกั้นนานาเขตระหว่างอบายภูมิกับสุขติภูมิมาอย่างรวดเร็วและในที่สุด ก็เข้ามาสู่ภูมิของเราได้มีโอกาสมาสูดอากาศอันสดชื่นแทนกลิ่นเน่าเหม็นอันน่าสะอิดสะเอียนในอบอายภูมิอีกครั้งหนึ่งซึ่งทําให้เห็นอํานาจอันมหัศจรรย์ของการอธิษฐานจิตได้เป็นอย่างดีเพราะในขณะที่เราท่องเที่ยวอยู่ในแดนอบอายภูมินั้นหากเราไม่ได้อธิษฐานจิตปิดหูและจมูกไว้บ้างแล้วเราคงจะต้องทนฟังเสียงหวีดร้องห้ยหวนลักกลิ่นโศกหรือกลิ่นของเน่าต่างๆไม่ได้เป็นแน่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 รูยังไม่เคยเห็นบ้านของข้าพเจ้ามาก่อนจึงรับคำด้วยความรู้สึกยินดีเมื่อเราไปถึงบ้านของข้าพเจ้าก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่เป็นปกติเรียบร้อยดีไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างใดซึ่งเอ็ดวินก็ได้อธิบายว่าทั้งนี้เป็นของธรรมดาในแดนทิพย์เช่นนี้เพราะเมื่อไม่มีฝุ่นผงหรือสิ่งอันจะทาให้เกิดความเสื่อมโทรมและชารุดสึกหรอแต่ประการใดเลยงานของแม่บ้าน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 งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของแม่บ้านจึงไม่ต้องมีกันเลยในที่นี้นอกจากนั้นเรื่องระดับบ้านต่างๆก็ไม่มีวันเสื่อมคุณค่ามันจะคงที่อยู่ในสภาพใหมายเช่นนั้นตลอดเวลาที่เราต้องการจะให้มันอยู่การไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องยุ่งยากถึงกับต้องปิดประตูหน้าต่างลงกรอนกันเหมือนที่เราเคยได้ทำกันมาแล้ว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 เขาได้มาหาในระหว่างที่เราไม่อยู่เท่านั้นเอง